นั่นมื่อถาน้ากูพ่คข้าสินกูจะเอาเมื่อว่าแม่เชนากีบีนเขาฮู้นเมื่อาน้ากูพักข้าสินกูจกเมื่ตายอย่างนี้นะว่ามันยังว่าเม่อไหร่เชายอยกขาดทัดอยู่กับ่าเม่อเชนายอยากรักทัพย์กับว่าเมื่อเชนายอยากพูดพิษในกร่กับว่าม่เชนายอยากพูดพดอยู่กับ่ม่ เช้ได้อยากดื่มนำเมายอะก็โมเมนมันไม่ใช้ได้ยังงี้เนี่มันถือเป็นของพิษตรงๆมันใช้ได้ยังงีดเลยทัพทัพที่ิษนี่มันก็ไม่ใช้ได้จะคาข้าวยางใบยาม้วนแน่วไปถึงพวกพิดว่ะพิษอันนั้นจะห่างหน้าพ่อยแล้วเบ้ม่มีเกตหน้าอย่างคาทัพรักทับอ่ะพดพิษแน่คำชิ้นหนาต้องเป็นชิ้นที่มีเกตหน้ามันเนี่ามันชิ้นสองใบยิ่เก็บเนี่ยมัเป็นพระรามนะบอกว่าเมื่อไร มันกันยังอยากไปสร้างโลกด้วยนี่มันถีเป็นพระหารยังไงวันเถียงกันว่าแพ้เมื่อไหร่จะข่าวมันถือเปนพระทหารตายยังไงศิคากรรมุลพระรับเน้นพระพระกับอะไรเน้นตัวเน้นกอะไรมันถืแม่นะมันสืแมปนพระสววชีมาอย่างไรแต่ชีพว่าแพ้มากกว่าฮักคอนหมดเม่นว่ามันก็ชิน่ไรจะเจีเน่มันกัมีแต่เงามันนี่พระเจศแต่นามันย่งมันขาดหมดเนี ชิ้นถิกันขึ้นกันชิ้นหามกันเนี่ยฝักลูงขาวมันถือชิ้นหามากมันนี่ผู้เอกพิสูจน์ลูกลกหันม้วนเอาคอดได้รวดหะเฉียนกันลูกหันมันก็มันพระสัดาบาลขึ้นกันนะเม่เป food. Food. ็นสัดันส <hing> ัดเดาสวัดขาดแค่ี้เองดันเทควมเห็นลูกตัวเดาเทควมันเห็นลูกตัวนั่งสงไหนมันว่าช้นาอยากรวมระเบิดมันบนนักไก่แน่ชัวชัว แล้วกูนี้เน Illinois. ี่ยกูจะกระโดดเรื่องหลุมชันเพิ่งเมื่อไหร่าเนี่ยมึงจะกราหลุมชันเพิงแล้วมันก็บ่เชื่อใจจะกลงไปมันก็สัญากเนี่ยมันมึงจะก็นำร้ายท่มทิมไปแล้วสู๋ๆแล้วกูนี้กูจะเอาขึ้นมากินอีกแล้วนำร้ายเนี่ยมันกับว่าด้ว่านเี่หรือว่าได้เตือนจากของอีกสองวันแล้วมันเชื่อใจเอาขึ้นมามันกับ่านักไก่เนียความดีคนดีทํำง่ายความดีคนชั่วทําำงยากความชั่วคนชั่วทํำง่ายความชั่วคนดีทําได้ยากคนดีคนชั่วทําได้ยากดีในชั้นเนี่ยคือดีในโลกอ กนนี้มันไม่มีอะไรสั่นเลยดีใน่สั่นพระนาค้าไมีอนาค้าไม่าลหันกับไม่พลหันดีกอบแล้วกันบุญคือบุญพระสดาวันบุญทัศนาค้าไม่บุญพระอนาค้าไม่บุญพระพลหันบุญพระพลหันเป็นบุญที่กอบแล้วยุคนี้เห็นแล้วผลแล้วบุญพระอนาค้าไม่ก็เป็นบุญที่บริบ้บุญแล้วขามพระอนาค้าไม่แผ่กับเป็นพระพลหันบุญพระสดาบันเป็นโลกุตรบุญบาปพระโสดาบันไม่บก็มีแต่สมระบ่ได้ท่านได้อย่างนี้ แต่มุนทในนีบ่กกำเริบขึ้นอีกเลยพสักัยะายศถิวิชีคิดข้าเสียแล้วพระเจ้ปรมาในดวงตาเห็นธรรมหรือนับถือศาสนาอื่นนับถือศาสนาพุทธศาสนาอื่นก็เบามากธรรมดาคือได้หางคิดใจเมื่อวานไปเรื่มใช้นับถือมันคเพื่อพหมข้าราชบริบุธแต่นี้จากสนชจนาฏบุตมาก็่าเลื่มใช้พระอัจฉิเยเรื่มใช้พระอัจฉิัก็เื่มใช้ในพระพุทธธรรมประสง์แล้ว ไม่แว่ตัวเรเขาถึงใจชนะขมก็ได้ค่ายออกจากขนไถนาตะบุดเลยพอเห็นพระอาทิตยเยอครับพระมมคคล่าพอได้ฟังค่านำพระสาีพุทะก็ค่ายออกจากขนไถนาตะบุดปุบเลยอยานี้มาไปหาพระองค์เจ้าเขาเอว่าสักอยู่บไหนอย่ามาปล่ยอ่น้เรได้ไปสมบวรพรอโคคัลล่าก็สิบเจ็ดหมื่นต้องเล็กพระราหานะสาดวุกะ เสพหาเมื่อสมัยพระหามในกึ่งเหลือนเนี่ยพระารีวุฒิสมัยพระหามเลยไปยก ข, ข, ขับยกทำสุกละคาตาทำทำคู้สุกละคาตาแปลว่าทำสุก่อนลุกผู้มันอธิบายว่ า, ามมทำมูรุตก็ฉันลุกพก่อนำมูรุตก็ฉันมันไม่สีดินย่หันเจ้าเดิมเรม้เรมูอยไปรุดออกเรืเ่ไปทำเหมือนกันโม้เรื่อรุดออกก็ฉัน หมูรุดออกเลยทาสุกะระคาตาเลยหมูเนี่ยไปนอนอยังหันสัน่นกน่หมูเคยไปนอนอยังหันเออเอิญทำชุกกรอนคาตาคำนี้นะุกะระชุ ก, กราคำนั้นชุกกรอนคนมาเอาสั่นลบบุหมันเทตแห่ที่าคณะขอังคีเวสนาโขดที่นี่เทศระเทศจะธําไปหาสูงพระประหอดทั้งหลวงเวสนาสัญญาทังขานเวญยาของเทียงเป็นทุกเป็นอนัตตาพระชายุทํางานพันด้ว้งหลังพระองค์เจ้าเอาะ อนหาไปกินแล้วได้พระที่คณะไอ้คีเวศธนาขวได้ทั้ง เ, เพียงได้ดวงตาเห็นธรรทั้งไตธนาคมอาจา่นทั้วยถึงไตธนาคมถึงไตธนาคมกรับได้ดวงตาเห็นทรรมกับข้งไม่ความหมายอันเดียวกันแล้วก็ทําแต่ละวัฏฏะจงตอ่อปนญญาผ่นวัดมันก็ขึืนอยู่กับผู้บาแล้วมีแก่ก่ามา ภูบาลมีแก่กามาัร้างถำคอเดียวกันกระทรงเก็บขึ้นสูงผู้หนึ่งดูระดับหนึ่งกระทรงเก็บลงมาตำ ต, ตามมุปผะกําของโตตามวาดชนะของโตนะโมโตเดียวกระทรงถึงพระเนปานพุทธทังธรรมาสั้งช่งตั้งตัวเดียวกระทรงถึงพระเนปาลได้พดโทษว่าพามาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายพดทโทษว่า พ, พามาหลบมาโคตรมาห ล, าลงกระทรงขัดผน เนพุทโอเล็กพุทธภาสธรมเล็กธรรมโอภาสโนโนสังโฆเล็กสังโฆภาพบัตรข้อเบือบ อ, อ, บ อ, อันนั้นพอกโรคขีดดึงทาสอนพรที่เห่าลงไปตาดึงไปตามั่นกระมาตาแต่ห้ามมนห่งตาห้องวิทยากรเชษาคือท่องและดึงไปยัตถีตมมั่งรู้มันก็เป็ท่องสร้างเกา่าสร้างเอาเอาแล้วนอะเมื่อแล้วนอกไปเนาะเป็นซุเปน็ปนซุนกเป สางเกให้ามันดีได้มมหมนะออ๋านะเออทัตถุธมโอสังโคเดี๋ยวเดี๋ยวฉันช่วไหนโ ย, ย่ใส่ได้เนว่ย เ, เ, เอากีบปนได้เ่รยำได้เ่รอวันกับเท่านันร่างดีมาไหนกับวัตถุอดี๋ยวนี้วัดดนวันี้ก็ไม่กินอยู่นี่อย่างนหนึ่งที่ลููมันดอก หมาก็เนนเพ่งเนีนเพ่งเห็นมีเนีนน่อยสององค์บอเข้าอยวันน้องคืนเนีนสีผืนนึงเนีนเพ่งผืนนึ่งข้าวหนั่นเพ้งเพ้งอายุสิบห้าปีเข้ามาหน้าเปลี่ยนบอสสัน่นว่าเป็นบันไดแ้วขอนอยสัน่นเห็นว่าเปลี่ยนจะไม่ง่ายหนเนียนเพ่งเลยไหมสัน่นแล้วเอาเมื่อก็คงขี่มาโดดมังดูวะสัน่น <laughs> <laughs> น้องผู้วันสู้อกทั้งปีทั้งชิงเลย หงปู่หม้อัวน่นสกน่าร่างกายอันไหมันหอมเพียงไง่าท่านมันมีเนวหอมได้ไหมท่นอันนั้นนะกรรมฐานท่านไอ้เจ้าไอ้่นอาจารย์นะ่ตัวไปขีสานเียงใบใบยอดออกกุญจนอาจารย์ใอ้เบิงไ้ก้มเบิ้ง่าท่านอันนั้นนะมึงกินแฉะเมื่อขึ้นไงก็มือว่านไงเอามากินอีกมึงรู้ห้ว่าท่านเข้าไปใส่ฐานกับพระว่าน้าเล้ท่านเชียร์รากรรมพิชญ์าอยู่่นเนว่าหู่หม้อวาคักแต่เ อันนี้มอนึงไปหเนี่ยเท่าแดงกันไปไปหาหลวงปู่ใหม่ตัวก็รักษาศีลธรําเหมาะไตัวรักษาศีลได้หลืวเปว่ารักษาันนั้ น, นมันมาสั้นถึงข้าวใช่ไหมครับหรือท่า น, นถึงข้าววันถึงเตมเียแมนบอกว่าสัตว์เ็นว่า ไสกปรกไดรกายงเข้านี่ว่าสันม่แต่งแต่นี่ยเห็นเนี่ยสาบข้าวได้เลยว่าสันหาเนี่ยสิของมือมีกันเนวยเลยว่าสันแล้วก็ร่างกายห้องมือเข้านี่ยนำไร่กระดุมมังลูกว่าสันมูดพูดมันอ่ะว่าสันถึงจะเหม็นว่าสันถึงข้าวว่าสันกลาลก็ขึ้นมาบ้านทีหามื่อก็ขึ้นมาอีกเหรอเอยว่าสันเนี่ยพอว่ามันมาถึงข้าวมันถึงจะเหม็นว่าสัน มันว่ามันเพิ่นเราตลกขาน้องดีว่า่นเพิ่นเราทั้งชิ้นทั้งท้ำว่าแ่มันแมนอีดิว่าั่นว้าข้าน้อยนี่มาบวชพระขาวว่าท่นเพราะมันฟังเทด็จออกว่าท่นเนี่หลวงปู่มันว่าฟังเสด็จออกว่าท่านเรยกาบวชระขาวันบวชพระขาวเนี่ยเพิ่นข้าไปเที่ยวฮเนี่พข้าไปเที่ยวไปเที่ยวเวทเพิ่นในจารเนี่ย้าไปเที่ยวในเวทวติกินข้าว ถ้าไช่อเวะน้มม so so like ือเดีนังเซนสักคนซนยังหยังหลังสักอนอ้อมพ้าเขาสักคนยังกินเซินปิดแข้งมาแข้งหลังเดไม่ออกนี่ยังไม่กินเขาเพราะเนีดหัวไหล่ใส่เลวมันเป็นว่าบอกเลยเพราะมันคัดกังขื้ขน่อยเวลาเซนคือแห้งนี่เ้วสัตว์กมากินนี่เลพอวงูมันปนอ๋อแต่าตอนคือคยๆเป็นแห้งมันยังเป็นในสัตว์สตว์นะยูดอนรอ คือผักเขาไสผัเกเขาไสอ่าผลชนลท่าว่าตกตามระดูกาลพระองค์เก่าเขาบอกว่าคนอยู่ห่างเหินจากสีธรรมาจากท่าตุนวัดสีนวัดพราหน้าวัดว่าผลชนลท่าก็เลยว่าตกตามระดูกาลข้างเวทวดาดอนน้องเข่าเน่ยเขามาขอสร้างคนไปสร้างตัวนั้นกับไปหอ ด, หด้วยแล้วฝนตก เพาเห็นไดเพราะเหตุพระเวสสันดรเป็นผู้รักษาสิ่รทมเก่งไม่ท่านวัดศีระวัดภาวานานวัดโยส า, เ, นน เ, เ, า, สาเป็นกระหายนัำได้แล้วฝนลยตกอย่างงูเห่าก้าวโลกสึมเอ๋วเพราะว่าเบียดเวียนต้นไม้รำธานเพราะว่าต้นไม้ไม่มีฝนมาตกรมไม้พัดคระว่า วิทยาศาสตร์พระองค์เก่าว่าอ่านวิทยาศาสตร์ทั้งเส้นท่อมพระองค์เก่าไม่ได้อ่านทา้งอืน่นก็มีพวกชั่วอ่านทั้งเส้นท่อมย่หางเหือนจากเส้นท่อมเขาเรีกว่าซัวปฏิวัติเส้นท่อมเขเรียวกว่าเป็นพวกคนนี้ขอวัดเดี๋ยววันนี้ไต่ชนคมไม่ี้ชน า, นาเป็นที่พึง่ง ม, มุขเครื่องมุขหา่าวมูขห่าวอ่าไปทั้งอืน่นตีเหลือตีงามเหมืนมุหา่าพระองค์เก่ า, าตี เลิกเจกของไม่ดีไม่มีทานนาวัตศรีวัตภาวนาวัดำักเราที่เจ้าใช่ผูส้สอนดีก็โมู่าโลกทุกลุกยุกสมัยนี่แหละยุค ก, การทุกเวลาลสศมาทศกุธเจ้าของเราสอนดีก็โ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม่พมร้อมธรรมมนุษย์สมัติสวรรค์สมัติพร้อมสมัติในพานสมัติด้วยไม่ถ้าทำสอนดีดใช่ไีมว่าสอนดีพระองค์เก่าพระบุมีะ ห, หรอก ไม่ไตโรโลกธาตุทุกยุคทุกสมัยเลยเป็ น, รราปนศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่เนือโลกอีกด้วยเป็นศาสนาที่ว่ามีกิเลสด้วยคูห่หนานอกจากนั้นเป็หัวหน้าศาสรรานาะนี่จะพูยังไม่มีกิเลอยู่บัญญัติเข้าข้างตัวบ้าเข้าข้างพระของตัวบ้างธสมรมะพระพุทธเจ้า ม, ามนบัญญัติเข้าข้างตัวนะพระของตัวบัญญัติ ตามธรรมาธิปไตยด้วยไม่ใช่บัญญัติตามโลกาธิปไตยอัตตาทิฏยปฏัยใตชาทิฏปไตยหรือราชาทิฏปไตยก็ไม่บัญญัติมันหยับบาปบนคนโทษถูกทำน้อยก็ไห้รับผลน้อยทํำมากก็ได้รับผลมากบาปก็เลยบนก็มีไม่ไม่ผิดเลยพระพุทธเจ้ายงิงทรงพระนามว่าที่หานะทางนะคันเตเต เป็นที่หน า, า, าในพุทธบริษัทอุนิศาเสวอสาสะในพุทธบริษัทถ้าไม่จักตังค์สมัติมติถ้าไม่จับตังคสมาธิมุติให้พรมจันทร์เป็นไปโลกเกอปติวเตียงซึ่งโลกทั้งหลายวุเปตาพุทธธรรมเมหิุฒิทีก่าทั้งหลายได้เกิดขึ้นแล้วที่จะเกิดขึ้นมาอีกก็อักโผอนเนกสาสะโพตะโยมากกว่าร้อยปูดก็เป็นคํำสอนอันเดียวกันมาในรบนะพรพรรบกันเลยพระวิจา มันถือพอแห้งอะถือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมมัติพุมสมบัติเนิ้อผ้าสมมัติเอกขันมาถือข้ามสนพระพุทธเจ้ามันกล่าว่าถือมนุษย์สมมัติกล่ว่าถือสวรรค์สมมัติกล่าว่าถือพุ่มสมบัติมันถือเนิพอผ้าสมมัตินะข้ามสอนของพระพุทธเจ้าว่าจ้จิตขวงโลกทําโลกขันจเลื่อนผู้ใดป็จะพัดตามแต่ถ้าพัดตามหน้อยก็จะเลิ่อนน่อยถ้าพัดตามมากก็จะเลื่นมาก ม็จะบดกมกืน <tu> ก <i ro> ันไปทุกอุบารกอุบาเก่าเสกสัมเน็แม้วัฒาเห็นพมพยมประกาดที่สบานทันทียิ่งที่เป็นเว้นเป็นไท่พราองค์เจ้าสอนให้ปศอาวุธเลยเนี่ยเอามาใส่ปลดอาวุธซะพระพุทธเจ้าเนเอาอาวุธเช่นธรรมเข้าใส่อาวุธเชนทําเข้าใส่เชนรรเท่าช่นใส่เท่าต้องสังสองอ่อนต้องทำกรรมไม่ได้เ็ดลวงเขาในขุมควมม่านนั่น ม่านคือม่านกิเลสเนาะขันธมานมานคือปันจขันธ์กิเลสมารมันคกิเลสอภิสังขารมามนคืออภิสังขารมัดจมานมานคือธรรมะนะเธอะพุตตมานมานกันเทอะพุตมานในทางวัธศาสตร์นาจัดข่อได้ขันธ์หาฮ้ามห้าขันธห้ามเพราะเป็นม่านผู้อื่นก็ไมมาเป็นมานคนละห้าตองขามานทะออกจากเข้าคนละม่านกิเลสกิเลสมารสำคัญขันสกิเลสมารอะไรต้องสนะหได้มัดทุกมานคน่า ชนะก็ชนะเกียรติของตนเองแพะก็แพ่พเกเยรตของตนเองชนะทางอื่นไม่มีในทางพุทธศาสนาเลยแต่ชาวโลกเอามาใช้กันก็มีแต่เวนสนองเวนไฟสนองไฟนั่น เ, อ ง, เ, อ, น อ, งเองพระพุทธเจ้าหนุ่มนี่มันแช่เลยพระพุทธเจ้าหอกสอนมาในโมตโตที่ประสงค์ให้หรังคาเหตุครัพระเจ้าเขาไม่จะใครว่าร้ายนะบางทุกเน่ย <laughs> พวกคุณหมอไม่จะใครว่าหลาย พระไม่ไบ้ขงบอใหทุกคนไม่ใช่เงี้ยเจ็บรัังเจ็บยุ่ไมหมอะน่น้ำบอบอหน้ามันสะดวกนะฮัเจ็บอยากเอาาอยู่มน้ำก็สะดวกบอจะลงยานแล้วน้ำมันสะดวกมือห้ามไม่ได้คัดของไปเดินขบวนอยงตัว เมื่ <laughs> อจำเป็นจะไปเดินเนอะเมื่อจำเป็นจะพักกัไปดวนขบวนเนอะขึ้นย่นข้าวเดินขบวนได้เย อ, อ่สักเนาอเดินขบวนวจะพัฒนมมาตากแดดเนาะไม่ได้จินเอียง มันว่าจาเป็ น, นจะพาเขาไปเดือนรมั้นั่นกับแม่หมู่เดียวกันพอสมัยหมู่ไหนนี่เอ้าไหนไหนไหนกหนมู่มกรุงเทพอยู่อยู่ที่ไหนกรุงเทพยกมือขึ้นกรุงเทพอีกี่คนเออพูดภาษาทางีสามออกหมออกบ้างไหมออกม้างออกมั่งไม่ออก ม, กมั่งล่ะ ห้าคนหรือสี่คนอู้หแล้วคนบุตฮะเมาเช่าเนี่ยมาวัน น, าา น, นี้มามาวันนี้หรือวันนวนนี้อยู่ทางนี้ไปเรึ่เกิดเรือเกิดอยู่ที่กรุงเทพเกิดที่ฮะเกิดที่กรุงเทพเขาพูด l าวฟังออกไหมล่ะช่าว อ, อีสาน ไม่รู้ใช้ยี่นุวิเนียอะไรเขาพูดเราได้ในในโลกล้วนอนิจจังได้ในในโลกล้วนทุกขังได้ในในโลกล้วนอนัตตาไม่ต้องต้องสงสัยเลยนาะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยสําหรับทุกสร้างวรรัตถุนิมแก่ข้ามาเลยก็ต้องพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้น นิมิตทั้งหลายก็อยู่ใต้อำนาจอนิจังทุกขังอนัตตานิมิตเทวบุตรเทวนาอิงพรมยมยักษ์อะไรต่ออะไรสารพัดก็อยู่ใต้อำนาจอนิจังทุกขรังอนัตตาดังนั้นสภาวะโลกทั้งปวงก็เหมือนกันสังคานโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมูลสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่รโลกที่เอาเราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะกามาพจระหชั้นพรหมโลกได้แก่รูปประภมเจหกชั้น และอรุปรพม์สี่ชั้นและพระโลกทั้งปงวงรวมลงในสังขารโลกสังขาราปรมาทุกขาสังขาเป็นทุก์อย่างยิ่งโลกเป็นทุกขอย่างยิ่งอันนีจังเป็นทุกอย่างยิ่งทุกเป็นทุกอย่างยิ่งอนัตตาเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันเกิดขึ้นแล้ค ว, วามแปรปรวนแด้แตกสลายให้เห็นพร้อมกับลมหายใจเข้าออกบุคคลผู้สร้างบา ร, รมีแก่กล้ามาแล้ว ไม่ติดอยู่ในนิมิตใดๆทั้งสิ้นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนิมิตไว้ในรูปก็รูปนิมิตนิมิตไว้ในนามก็นามนิมิตเกิดขึ้นแล้วก็แปรลแลแปรวนแลดายไปคำพูดแต่ะบทแต่ละบทก็เกิดขึ้นแต่ะบทแต่ละบทก็แปรปวนและดับไปแต่ะบทแต่ละบทขณะจิตที่นึกคิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกั น, นเหมือนพยักแดี่ยวพับๆอยู่เกิดดับอยู่เร็วนักไม่ใช่คำพูดใหม่คำพูดเก่า คือกายสังขารเมืกีสังขารจิตตสังขารนั่นเองที่ปารถพูดกันฟังเทศก็คือฟังใจผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังก็เอาใจฟังตกลงก็ฟังเรื่องของใจนิทานอดีตอนาคตที่ร่วงมาแล้วหรือมายังไม่มาถึงก็นิทานของใจอดีตคือนิทานของใจที่ร่วงมาแล้วอนาคตคือนิทานของใจที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันก็คือนิทานของใจที่กําลังเป็นอยู่ ทำท nd, tangible, ül, ั้งหลายย่นลงมาเป็นหนึ่งย่นลงมาเป็นสามก็กายวายกายใจย่นลงมาเป็นสองก็คือกายกับใจย่นลงมาเป็นสี่ก็คือธาตุสี่หรืออริยะสัสีขยายออกเป็นห้าก็คือขันห้านุเวทนาสัญญาสังขารญญาณขยายออกเป็นหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหกหูจมูกลิ้นกายใจก็ย่นลงมาเป็นสองตาหูจมูกลิ้นกายย่นลงมาเป็นรูปขัน ใจย่นลงมาเป็นนามขันสิ่งใดย่นลงมาเป็นรูปขันได้สิ่งนั้นก็เป็นรูปประโรคได้สิ่งนั้นก็เป็นรูปประธาต์ได้สิ่งนั้นก็เป็นรูปประธรรมได้สิ่งไหนที่ย่นลงมาเป็นนามขันสิ่งนั้นก็เป็นรูปประธรรมสิ่งนั้นก็เป็นรูปเอสิ่งนั้นก็เป็นอรูปธรรมสิ่งนั้นก็เป็นอรูปประโรคสิ่งนั้นก็อเป็นรูปอรูปประขันสิ่งนั้นก็เป็นอรูปประธาต์เหมือนกันเกิดขึ้นจากแปรปวนไดแต่สลายอีกด้วยจงรู้ตามเป็นจริง ต้องปฏิบัติตามมั็นจริงจงสิ้นความหลงตามเป็นจริงในปัจจุบันนั้นสักพระพุทธองค์มาตรการทชั้นสูงพุทโธแปลว่าผู้รู้ละบาปบำเพ็ญบุญธรรมโมแปลว่าปฏิบัติเพื่อละบาปบำเพ็ญบุญธรรมโมแปลว่าทรงซึ่งไหวซึ่งละบาปบำเพ็ญบุญสังโฆแปลว่าปฏิบัติละบาปบำเพ็ญบุญ ตกลงพุทโทธธํรโมสังโฆก็อยู่ที่ เ, เดียวกันคือใจใจใจใจในี่เองสินห้าทำไมร่วงละเมิดก็มาเป็นเป็นสินตัวเดียวอยู่ที่ใจเป็นเชือกเส้นเดียวอยู่ที่ใจกรมเกนกันเป็นเชือกห้ากเกลียวอยู่ที่ใจสินห้าเวแล้มันีเวแล้วมันมีอันไหนก็เล่นแล้วอันไหนก็เล่นแล้ว <L> ก็มาเป็นเชือกเส้นเดียวอยู่ที่ใจศินแปดก็เป็นเชือกแปดเกลียวสินสองรอยยี่สิบเจ็ดก็เป็นสองรอยี่สิเจ็ดเกลียว มักแปกก็เป็นเสื้อแฝกกีแฝ ก, กเกลียวอีกเหมือนกันรวมเป็นไตรสิกขาแปดหมื่นทีพระธรรมขันรวมลงมาในปัจจุบันนักจิตปัจจุบันนธรรมในเองศีลก็ตัดศีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในปัจจุบันศีลท่านไหนๆก็ต้องรวมลงมาในปัจจุบันทางนั้น สมาธิชั้นไหนๆก็เหมือนกันปัญญาชั้นไหนๆก็เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ศีลสมาธิปัญญาก็อยู่คนละมุมโลกต้องอยู่ที่แห่งเดียวกันเมื่อศีลเป็นโลกีสมาธิปัญญาก็เป็นโลกีเมื่อศีลเป็นโลกุตระสมาธิปัญญาก็เป็นโลกุตระเมื่อโลกีเจตนาศีลทั้งหลายก็เป็นเจตนาเป็นโลกีทั้งนั้นสมาธิก็ปัญญาก็เหมือนกัน แต่ว่าโลกุตระมีอยู่หลายชั้นโลกุตระชั้นพระโสดาบันชั้นสักคาคาริชั้นนาคาคาริชั้นพระรหันชั้นพระรหันจบกิจของโลกุตระแล้วชั้นโลกีก็แบ่งออกเป็นสองโลกีชั้นหยาบโลกีชั้นกลางโลกีชั้นละเอียดโลกีชั้นหยาบที่สุดก็คือมหาโลกีนะครับ หรือโลกันตานรกโลกีขนาดกลาก็คือเทวบุตรเทวดาเป็นโลกีโลกีขนาดเล็กก็คือมนุษย์สมวัตแต่ยังไม่ถึงโลกตลุตระผู้ถึงโลกตลุตระคือผู้ไม่เสียดายล่วงละเมิดสินท่าผู้ไม่เสียดายอยากจะล่วงอบายยมก ผู้ไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันผู้ไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีผู้ไม่เสียดายอยากจะจองเวร ท, ท่านผู้ใดโปรธอยู่แจะไม่ถึงจองเวรการค่าขายก็มีขอ้อเิดไม่ค่าขายจะผลาญไม่ค่าขายมนุษย์ไม่ค่าขายสัตเป็นเรื่องสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหาร ไม่ค้าขายน้ำมนไม่ค้าขายยาบิดการค้าขายห้าอย่างนี้พระโวสดาวันไม่ใช่ราอยากจะร่วงละเมิดเลยแม้เสี้นห้าก็ไม่อยากล่วงละเมิดเช่นไรครสิ่งอื่นอืก็ไม่อยากล่วงละเมิดเนแล้วเช่นการพนันทั้งกวงไม่ใช่ราอยากร่วงละเมิดสิ่งไหนไม่ใชดราอยากร่วงละเมิดสิ่งนั้นมันก็ไม่หนักใจและมันก็ปฏิบัติง่ายด้วยนี่เป็น ผมมาจันวร์งต้นของพระพุทธศาสนาตามกรณ์นั้นลงมาพระบรมศาสดาไม่รับรองเลยเป็นโลกีเป็นโลกีบุญเป็นโลกีบาปพระสวัสดิบาลเป็นโลกุตระบุญถึงจะไม่บาวก็เป็นโลกุตระวาปสิ่งไหนที่ยังละไม่ได้ก็จริงแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์จะเป็นละได้ เช่นบาปพระโสดาบันมีอยู่ไหมมีอยู่แต่เป็นบาปที่อยู่ในเกณฑ์จะละลักจะเว้นได้พระตัาากกะทาคา ม, มีบาปไหมมีแต่น้อยกว่าพระโสดาบันไปพระนาคามีมีไหมมีนิดเดียวเหลืตอตรงนั้นเป็นบุญหมดพระอหารใหม่มีจะคือบาปของพระโสดาบันไ ม, ไม่ไม่เป็นบาปพอที่จะไปลงนรกพอที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เทศสาร ไม่มนุษย์ก็สวรรค์เท่านั้นคติของพระโศราวันมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นสูงอีกด้วยมีอายุยืนอีกด้วยมีตระกูลสูงอีกด้วยถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์ต่ำกว่านั้นลงมาไม่รับรองเลยเพราะหลายบางทีเพราะเป็นมดไต่ขอบรุ่งเป็นทายเรือในเอ็นวนเวียนอยู่อย่างนั้น ข้ า, สาวสารบาไม่วนเวียนเดินลุถไปสู่พระนิพพานอย่างถึงพายเลยจะเดินช้าหรือเร็วก็ไม่หลงทางว่าจะเลี้ยวซ้ายแรืขวาและไม่หลงทางว่าจะถอยหลังอีกด้วยเพราะไม่สงสัยแลย้วสั ก, กะยะคิดถิความเห็นเป็นเหตุถือตนถือตัวในพุทธศาสนาก็ไม่มีวิกิจิจฉาความงลงลเรัสงสัยในว่าพุทธศาสนาความมไม่มี ศีลปัตตพนามาดก็ไม่ลูกคําว่าจะปฏิบัติประพฤติยังไงรู้จากขนทางที่จะประพฤติแล้วเดินสบายแล้วเห็นฝั่งพระนิพพานริบดีริบดีเลยฝั่งคนไม่รบไม่โกรธไม่หลงแต่ยังเดินไม่ถึงก็าตามเห็นแผนที่จะไปเหมือนคนเดินทางมีแผนที่ไม่ต้องหลงนากว่านั้นลงมาก็เป็นน้ําไหลวนเป็นคนหลายไก่มดไต่ขอบกระดง้ง เมตนะพระบรมศาสนาจึงยืนยันแต่สุพันโนเป็นต้นของพรมจันทร์ของพระพุทธศาสนาบันทิโตกดมาวสังบันทิศเป็นผู้ครองเรือนก็คือพระสสดาบันเราดีๆนี่เองจะภาวนาจนถึงอ้าปากกินลมเดินขาเดียวยืินขาเดียวก็ตามอดข้าวอดน้ม จนขุมผมขุมขนหล่นก็นตาถ้ายังเสียนายอยากร่วงละเมิดชินหน้าอยู่เสียอไดอยากร่วงอาบายนมกุูเสียนายอยากจะถือศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาเสียนยอยากถืออยู่ยงคงกับพันเสียนยอยากถือระเบียมดีเสื้อไอยากฆ่าขายอันไม่ชอบทาดังที่ว่ามาแล้วนั้นก็ไม่ใช่พระสุราวัย ยังเป็นโลกีเกจนาอยู่พระสมเด็จมาณัฐทานข้าหักมัดถัดตัดเส้นหนึ่งพรตามก็หวังเพื่อพ้นทุกข์ในวาระทรงขสารเท่านั้นไม่ในมาไม่ภาวนาหาเลขหาผาหาบัตรหาเบอร์เลยจําพวกภาวนาหาเลขหาผาหาบัตรหาเบอร์นั้นเป็นโลกีเราดีๆนี่เองไม่ใช่สุพัทยพนูเพราะเป็นที่พึ่งยังไม่ะเสกษมแก่ตนเอง ในทางทีผิดแต่เขาไม่รู้ว่าผ่านพระพุทธธรรมประสงค์หรือเขาข้ามกายาผผาพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในตัวแต่เขาไม่รู้ตัวพุทโธจะไปจบที่ไหนก็ไปจบพระนิพพานก็จบที่ไม่พลนกันกับความกับพุทธเหมือ น, นกันถือพุทธีปีศาจอะไรต่ออะไรสารพัดพระโสดาบันเชื่อ ก, กรรมไม่เชื่อมองคลตื่นข่าว ประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธธรรมประสงค์มีศีลบริที่สุดคือศีลห้าไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อกำไม่เชื่อมงคลเชื่อเรื่อเชื่อผาเชื่อบัตรเชื่อเบอรเชื่อเพื่ออยู่ยงคงกระพันเหล่านี้เป็นท่านเขาเรียกว่าถือมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อกรรมเชื่อกรรำเชื่อมงคลกรรมดีก็ต้องได้ดีมงคลดีก็คือมงคลอยู่ที่ใจของเราทําดีนี่เองไม่ได้กล้าถูกใครทางนอก ผู้ใดเป็นผู้ทำมงคลให้ดีก็คือเราเองเป็นทำมงคลให้ดีถ้าเราทำดีก็เป็นมงคลดีถ้าเราทำชั่วก็เป็นมงคลชัว่วพระสวัสดบิบาลต้องนึกอย่างนั้นต้องพิกจารณาอย่างนั้นผู้ใดถึงพระสวัสดบิบาลแล้วพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอระหันต์ก็เปิดประตูไปเองในตัวไม่ต้องสงสัยเลยเหมือนดังพระจันทร์ในวันข้างขึ้นแต่ไม่กลับมาเรมเอีก ทีนี่จะทำอะไรก็ทำสักเ่ิเนี้ยยุดพักเสียก่อนเออทายสะทายสัทายสัห า, า, า, าลูกกูลูปังอันนี้จังเฉยหรอฮะแค่ก่อน ผ้ายันต์ไม่ดรอกผู้ใดให้ทานรักษาศีลภาวนาผู้ใดมีพระพุพะทธรธรรมพสงฆ์อยู่ในใจผู้นั้นได้พ้ายันต์แล้วผู้นั้นได้วิชาเสน่ห์แล้วทั้งคนสารพัฒน์กรุงเทพมันไป ร, รวมคิวอยู่ที่นั่นนักปราชญ์ก็ไป ร, รวมอยู่ที่นั่นในประเทศในโลก มีคนอยู่สองจำพวกจําพวกหนึ่งถือศาสนาพุทธจําพวกหนึ่งก็นานาศาสนาสกุลศาสนาผู้ถือศาสนาพุทธเป็นผู้สร้างวัตถุมงคลมาแล้วผู้ถือศาสนาอื่นก็ยังมาในยังอ่อนอยู่พระศาสนาในใจโลกธาตุถ้าจะพูดไม่ลาเอียง ก็พระพุทธศาสานาเท่านั้นเป็นศาสนาที่มีพระดิะบุคคลนับแต่พระสดาวันเป็นต้นไปรักที่อื่นไม่มีพระบรมศาสดายืนยันแล้วไม่ได้พูดเข้าข้างครูพูดเข้าข้างธรรมในมหาปฏิญญาพานสูตรสุภะพระผู้บวชต่อแก่กาบทูลพระบรมศาสด า, าท่านบวชในวันนั้น ท่านก็สำเร็จพระหันใจคืนนั่นไม่ได้ท่านก็กาบเรียนพระบรมศาสดาว่ารัฐที่อื่นศาสดาอื่นจะมีพระสวสดา์วันสักคาคามีอนณาคามีบ้างหรือไม่พระเจ้าค้าโัดาปฏิมัติวัวดาปฏิผลสักคาใครมักสกทาเคยผลอาณาใครมักอาณาใครผลอรหัตมักอรหัตผลบ้างหรือไม่พระเจ้าข้าเออแล้ไม่ได้พูดเข้าข้างตัวดอกพูดเข้าข้างทำไม่มีเลยถ้ามีก็มีในศาสตร์สมาพุทธเข้านั้น เ, เพราะเหตุใดเพราะศาสนาอื่นศ า, นานสานาอื่นเขาก็มีกิเลสอยู่เต็มพุงเราดีๆนี่เองนี่เราสถาคตเป็นพระสมานพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ด้วยไม่มีกิเลสด้วยคําสอนแต่ละอย่างไม่อย่างไม่เข้าข้างตัวไม่เข้าข้างบุคคลไม่เข้าข้างข้า ง, างวัตถุนิยมไม่เข้าข้างอื่นๆเป็นธรรมมาทิปไตยโดยตรงๆแล้วเป็นประโยชน์ของชาวโลกเต็มภูมิด้วยไม่ลาเอียงเข้ากับประเทศใดชาติใด เป็นมิ่งขวัญของโลงด้วยแต่ชาวโลกจะเอาเป็นหรือไม่เอาเป็นนั่นก็เป็นเรื่องของเขาพรบรมศาสดาพูดอย่างนั้นลูกหลานทั้งหลายจงถึงว่าพุทธพัฒนประสงค์เป็นที่พึ่งอันเกษมอธิษฐานและตั้งสัจตรว่าอย่างนั้นตามเท่าเข้าวสุขนณิฟานเอาพุทธพัฒนประสงค์เป็นที่พึ่งเลยเอาเป็นที่ระลึกที่ปฏิปเทีโบูชา อยู่ทุกเมื่าไม่มีประมาณเพื่อคนทุกข์ในวัดจ้าสงสารโดยด่วนใปัจจุบันชาตินี้เถิดแล้เลึกได้ไม่เลึกได้ก็ดีก็ขอมอบกายถวายเชื้ต่อพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่าไม่มีประมาณเพื่อคนทุกข์ในวัดจ้าสงสารโดยด่วนใปัจจุบันชาตินี้เถิดแล้เลึกได้ไม่ลิกได้ก็ดีก็ยามเป็นข้าเป็นข้าพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่าไม่มีประมาณเพื่อคนทุกข์ในวัดจะาสงสารโดยด่วนใปัจจุบันชาตินี้เถิดและลึกได้ไม่เลิกได้ก็ดี ขอเป็นมิตเป็นสหายทั่วทั้งตจโรกธาตและขออุทิบกุศลพลบุญให้ด้วยไม่ให้มีเวเนไยอยู่ทึกว่าไม่มีประมาณเพื่อคนทุกข์นาพตาสงสารโดยด่ ว, ดวนปนปพจจมาแนดนชาตินี้เถิดมันก็หมดเท่านั้นไม่มีเวไม่มีไพแล้วก็มีทานาวัดศีรวัดภาวนาวัดยังเงยนรัตนังโลเกเวิตสถิ ว, วิทางุทโธรัตนังพุทธสมบัติกรมาสุที่ภาวันโดตยรัตนะอันใดในโลกนี้จะเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลย นัตทิเมยสัญญังมันาังคณะอื่นไม่มีพระพุทธธรรมประสงค์เท่า น, นั้นเป็นสณะอันตรเสริญของข้าพเจ้ามันก็หมดเท่านั้นเรียกว่าผู้ใดถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วชิ้นลมฟานในเวลาไหนก็มีคติเป็นสองไม่มนุษย์ก็สวรรค์เท่านั้นอย่างต่ําอย่างสูงก็สักคาคาเมญนาคามีพระหันเป็นลําดับไป น, นี่พวกลูกไม่ได้หนังสือกษาเอาซัก เออสื้อมาให้เออมาเออนี่นะเดีมันตบตุ่งจบจบมาเอกมันจบมาโทก็มี่จบมาโทษกับมี่อันบางเป็นบางก็นี่แล้วอะไรควันเนี่ยหรอผู้หาใเอ๋อจบมาโทษกับี่ โตพีโ ต, ตพียิง่ง ว, ว่าวิรัตก็โตพียิ่งมันคักขัตโตพียิ่งม่าวิรัตขักขักก็โตโอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใ จ, ใจเป็นพี่ ก, กับน้องกันแซ่ยนังก่อนเออแซ่ตั้งแซ่ตั้งแซ่ตั้ ง, ง, งน้ำจากุน mankind. เอาน้ำไทยบปเดี๋ยวนี้อือืมอืมอม เออเออเออเออเออเออเรื่องก็เราควรประทังประสงค์หลูกร้านสมประสงค์ไม่ส้างไม้ชอบด้วยสุเมือรักชาติและบ้านเกิดประเสริฐศีรักศัตรียาเมินสิ่นที่อยู่มงกุฎเก่าเจ้าชีของชาวไทยแม้ศัตรูคิดรไล่ทำลายชาติต้องรบสู้อาริราชจนตักใส ไม่ได้คิดและไม่หิตคิดชิงชัยไม่ยอมแพ้แกใครโมใครดีแม้จะตายไวรายใครดีชาตชู้ปฎิบาติฟาเยนยงยำ ล, ลงไทยเราจำได้ยูมัย <c oughs> <c oughs> มล่ะทำไมราช ก, การที่หกเนะสองพันสี่ร้อยหกสบห้าเราออกโรงเรียนเราก็ได้เพียงปสองเท่านั้นแหละ เข้าโรงเรียนเข้าลรงเรียนอยู่ 2,461 ัน24ก็ 2,636,465 ก็ได้เพียงป .2 ทั้งแต่เราสามารถสอบนักธรรมเอกได้เนอะ <c oughs> เราบวชมาเราบวชมาคราวก่อนนะั 3, ่น 1, 3 0 0ษาพระพ0 0ษางเรน 3,000 ษา เราก็เรียนนักธรรมด้วยทีนี้เราก็เลยออกมาเราพลาสิขาออกมามาสร้างคราวาสสร้างคราวาสอยู่เก้าปีสิบปีภรรยาถึงแก่กรรมเราจึงมาบวชอีกมอบลูกให้คุณป้าคุณป้าเป็นหมันคุณป้าเป็นหมันลูกของเราสามคน แต่ว่าคนกลางมันมันตายไปอายุสามปีตายแต่ยังมีนะแต่คนหัวปีกับยุทธพ่อคุณป้าแม่รักลูกเราจะไปรักใครเพราะเวลาไปได้ไปนาก็งอยหัวคุณป้าไปก็หงอยหัวคุณลุงไปขีคอไปถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะเป็นห่วงมากถ้าเป็นผู้ชายเราก็เล่นจะหนักห่วงล้วก็เลยมาบวชได้เขาก็มายุให้ลบูกปไปแต่งงานอีกสารพัด คนแก่คนแก่ประมาณสามสบปีรุ่นของมึงก็มีอยู่กูจะหาให้มึงทางบ้านเดือเออใครก็ไมาจีเกียนหรอกคุณพ่ อ, อเออแต่เดี๋ยวนี้จิตใจน้อมอยากจะบวชแล้วมึงบวชไปเดี๋ยวมึงลาเชืกขาออกมาก็าเสียเวลามึงอยู่ไม่ได้หรอกแล้วของวะเลาะ บ้านเดิมของเราก็มีผู้หาให้ออกบางคันแเราก็บอกว่าใครๆก็มาที่เตรียมท่านแต่เราเห็นภายในวัฏจลลัรสงสารแล้วเกิดมาในชาตินี้ลแล้วก็มีเมียสองคนลแล้วเราไปเอาเมียอีกมันเอาก้อนตายมาอีกด้วยตายตัวหนึ่งก็เอาก้อนตายมาเพราะนั้นเราพิ่านณาความตายเป็นอารมณ์เท่าวันเนื้เราไม่ยินดีแค่นี้จะก็แต่งงานใหม่เราจะไ ป, วะไปบวช เราก็เป็นสังขารของทังหายก็เป็นสังขารสังขารต่อสังขารจะไปปฏิบัติกันมันก็ไม่เป็นสุขทางมีเราจะไปปฏิบัติเพื่อพนทุกข์ในวัฏสงสารพูดอย่างนี้ เ, เงองเราก็เลยมาบวชในทางมหาวิกายก่อนสองพษาสองพา 2,186 แต่ที่หก็ก็เลยมาบวชสองพแสี่ภรรยาสึงแ ก, ก่กรรม รักแค่ผ้าเราพักอยู่กูจะสังเกตดูว่ากูนั่นมันจะรักผู้หญิงไหมไมนันก็ไม่ไปเสียแล้วพอถึงเวลาเย็นมามันก็นอนมันก็ภาวนามันียกว่าเราจะตายวันไหนไม่ทราบเนอะพ่จาราควาตายเป็นอารมณ์นี่โชคดีนะภรรยาเขาตายก่อน แต่เราก็ไม่อยากให้เขาตายนี่พูดเพื่อเป็นธรรมถ้าหากว่าเราตายก่อนเขาเขาก็เอาผัวอย่างนั้น <c oughs> นี่โชคดีเขาเราจะไปบวชแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ยันเขาเราพูดตามเป็นจริงแล้วเบื่อโลกแล้วหาดินกินหญ้าสารพัดกบดเคยต้งเกลือเสนนินเทาบ้าเคยเรื่อยไม่ว่า หากินทางอเหนือตาหน้ามองไปมองไปน้าแสงเด็ดนับตาไหลกูไม่สร้างมันดีกระในวัดตาสองสามนี่ทางมีกูจะไป ไ, ไปต้องไปบวชมหาวิายก่อนเพราะเหตุว่าบวชมหาวิทยาอยู่สองพันสา 2, สองพันี่ร้อยจ็หกเจ็สิบเก็ดเพเหตุว่าเพราะท่านได้ทราบว่าเราจะบวชท่านก็เปิดประตูให้เคยเขารับกบดามัญญาปูญญาตาทวดของเรามา เ้าก็เคารพท่านท่านก็เป็นค น, คนกว้างขวางตรงค์หลวงปู่องค์หลวงปู่ทองสุวรรณนาสโรท่านก็กว้างขวางมากไม่ใช่คนแคบแคบพอเราบวชกับท่านเราก็เรียนนักทำโทนักทำเอกแล้วก็เลยมาญาตินี่มาญาติกับท่านากับคุณธรรมเจดีมีในชี่ว่าประวัติของหลวงปู่แล้วไม่ต้องพูดดอก เรเ่นี่เรื่องนี่อ่านคิว่าประวัติต้องอ่านคำนำด้วยไม่ใช่เรื่มนี้เออนี้นี่หนี้หนี้นี้ผู้ไดเก่งคนคนคนไหนเก่งอ่านชิว่าประวัติของหลวงปู่ดูดูหน้าตาต้องไหลละอ่านคำนำด้วยให้ละเอียด คนไหนเก่งๆอ่านชีว่าวัติของลุงปูก็ต้องต้องน้ำตาไหลแล้วลุปู่โชคโตนในทางทุกมาเลยนะจังหวัดอุดอรเกิดเกิดจังหวัดอุดอรฮะะบ้านกุศะบ้านเดือดตั้งด้านบ้านภรรยา สองพันห้ารอยมาอยู่นี่สองพันห้าร้อยมาอยูน่นี่ก็เพื่อนต้นก็อยู่อุราสามพันษาอุราสามพันษาอุรานสองสามพันสาก็มาครับหลวงปู่มั่นกับสี่พันษาออกจากนั่นก็ไปกับหลวงปู่เทพที่ผูเก็บทางงาสามพันษาขึ้นมาอีกอยู่กับหลวงปู่มหาบัวอีกสามพันษาเนี่ครับ yeah, so. ก็มาอยู่เป็นหัวหน้าหัวบ้ามาอยู่ก็สองพันห้าร้อยสามสองันห้าร้อยทนข้างข้างข้างต้นสองพันห้าร้อยข้างต้นูนฟก้าข้างไฟมาอยู่นี่จนถึงทุกวันนี่มันก็มันก็คงถ้านับถ้าบวดวัดบ้านเพราะในเวลาซิกขายอดบ้านสองรรษามันก็ อ๋อก็เกือบห้าสิบห้าสิบกำลังห้าสิรรมากำลังแล้พันธิราที่หกแลันรชที่หกแปดทีเจ็ดแปดที่แปดก็มายักติมายัตติปีสมยุตธสองพันิาที่หกก็เป็นมหานิทยาย8ป8ทเจ็ดแปดที่แปดก็มายักติสมยุทธเมื่อในราชขา ก็จะต้องลาชื่ขาหรือไม่ไม่ก็เนื้อเหลืองมาเลยกับคนทำโอเคดีอ่านดูใครเก่งอ่านดูรู้จะเล่า<ม>ให้และคนหนึ่งอยู่ยะยะโวธรเป็นภรรยาของนายพันเอกยกกเทียนเ้ยอ่านไปอ่านไปอ่ออ่านไปก็เล่าให้โฮเลยหัวก็หัวเลาะพ่อบ้านหัวเลาะดีอันนี้ดีอันนี้มันเคยเป็น ลูกหลวงปู่นะแต่ก่อนมันอ่านประวัติของหลวงปู่แล้วมันร้องให้เลยหัววะว่าให้ไปนี่เอวันพิชชีแค่ชอบแล้วสมมาสังกปโปก็ดำริชอบสมมาวายการก็เป็นไปในทางชอบสมมากํามันโตการงานก็ชอบสมมาอาชีว์ริ่งชีวิตก็ชอบ สัมมาสติก็ระลึกทอบไปเป็นชั้นชั้นสมาสมาธิก็ตั้งใจไว้ชอบไม่ใช่เมตขาสมาธิสัมมาสติก็ระลึกทอบคือระลึกในกุศลผลบุญหรือระลึกในสติปัฏฐานทังสี่กายเวทนาจิต ธ, ธรรมสัมมาสังกปก็ดำริทอบ ำลำดํำริชอบคือยังไงดําริในการไม่พยาบาทในการไม่เบียดเบียนเรียวกว่าดําริชอบการงานชอบคือเว้นจากกายสิทธิ์ตสามสัมมากรรมันโตคือเว้นจากรักทรัพย์ประพฤติผิดในการเรียวกว่าการงานชอบ สัมมาวายามะเพียรชอบคือยังไงเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรละมาดบำเพ็ญบุญย้อนลงมาเป็นสองเพียรละความชั่วประพฤติความดีย้อนลงมาเป็นสองถ้าพิสดารนักวาระประธานเพียรระวังม่ใหา้บาปเกิดขึ้นในสันดานผู้หานประธ า, านเพียรระบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ควาวนาประธานเปียนลักกุศลเกิดขึ้นในสั้นนานอนุรักษ์ขณะประทานเปียปรนรักษากุศลจะเกิดกขึ้นได้ไม่เสื่อมความเพียรสี่อย่างนี้เรียกว่าสัมมาวายามมเป็นความเพียรชอบคนประกอบให้มีในตนพยนความเพียนลงเป็นสองเพียรละความชื่วประพฤติความดีเป็นคําสอนของพุธทธเจ้าสังหายจงย่นอริยสัตสี่ลงเป็นสอง กับสมุทยัยทุกสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดทุกกับสมุทยัยนั่นสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดให้เว้นซะมรรคกับในิโรธจงทําให้แก้ย่นลงเป็นสองมรรคก็คืออะไรคือมรรคแปลกนั่นเองมรรคแปกก็ย่นลงเป็นสามคือไตรสิกขาศิท ส, สมาธิปัญญาสิทธิสิกขาสิกขาคือสิทธิยิง่ง อธิจิตะสิกขาิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาิกขาิกขาคือปัญญายิ่งแบ่งออกเป็นสีภาคอธิสินเสขาิกขาคือศินยิ่งอธิคิตะิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาิกขาเสขาคือปัญญายิ่งปัญญายิ่งไตรเสขายิ่งของปะโสดาวันไตรสิกขายิ่งของพระจักขาคามีไตรเสขายิ่งของพระอนาคามีไตรเสขายิ่งของพระอรหันต์พระอรหันต์จบไตรสิกขายิ่งแล้ว สมาทิฏฐิของพระโสดาวันสมาทิฏฐิของสักทาคามีสมาทิฏฐิของพระอนาคามีสมาทิฏฐิของพระหลานพระหลานเรียนสมาทิฏฐิจบแล้วทั้งปฏิบัติปฏิยัติปฏิเวทด้วยสมาทิฏฐิของพระหลานเออจีเรก็โกรธหลงเราเห็นชอบแล้วเราพ้นไปแล้วสิ่งที่จะทําอีกไม่มีแล้วเรีย ก, กว่าสมาทิฏฐิมหาสมาธิฏฐิของพระหลาน สมาธิที่เขามาอนธรรมัเออเรารู้จักทางเดินข้ามโรบปวดหลงแล้วเราไม่หลงเรียกวาสมาธิิขั้งต้นสมาธิตอนที่สองของสัคขาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นสมาธิิของพระอนาคามีเออราคะโทสะของเราขาดไปแล้วยังโมหะนิดเดียวเรี่ยพระสมาธิของพระอนาคามี สมาสังกปรวาจากรรมตัวอวิชวายามุสติสมาธิก็เหมือนกันไม่อยู่ระ ด, ดับเดียวกันระดับของปัจจุบันระดับของสักทาคามีระาาดับของพระอนาคามีระดับของพระผลานจะประจีเสมอการไม่ได้ต่ากว่านั้นลงมาไม่รับเข้าบัญชีเลยพระบรมศาสตร์เพราะเป็นโลกีเพราะเป็นกุปปาธรรมเป็นธรรมที่สามารถจะกาเริบ เหตุนั้นจึงบัญญัติเพียงสุปฏิปนโนอุชุยายะสามีเจเท่านั้นในพระพุทธศาสนาะนี่เนื้สาวก ข, ของเราสถาคตพระบรมศาสดาไม่ได้บอกว่าทำเมกาทํามหาเนกกายหรือทํามชุทธ์หรือส า, สายนั้นสายนี่เป็นสาวก ข, ของเราสุปฏิปโนยุจุยายะสามีเท่านั้นเป็นสาวก ข, ของเราพระบรมศาสดาเลยจะเป็นขราวาสก็ตามก็เป็นสาวก ข, ของเราเหมือนกันพระบรมศาสดาไว้ ยืนยันอย่างนั้นไม่ใช่ว่ายืนยันว่ามหาวิกาลัยได้ทำอายุหร on, os, ือสายนั่นสายนี่ไม่ได้ยืนยันอย่างนันยืนยันแต่ว่าโซบจักรโนโชทยายาสามีเท่านั้นนี่เน้อสาววของพรภูมิวิภาคเจ้าในสาวพกะควาโต้สาววสร้างโคนี่เน้อสาววของพรภูมิวิภาคเจ้าอาหนัยอยปาหนัยโยสักยินาโยอัญชลีกัลนโยนตระนุปยักษเตตังโลกัตสาติเป็นผู้ควรควรของทําบุญเป็นผู้ควรของกราบไหว้ผู้ไหว้ไม่ต้องกระดากระเดื่อง อนุตรังเงียบุญญาเขตตังโลกัสสาติเป็นเขตบุญของโลกไม่ใช่เขตบาปเขตบาปของโลกก็นอกจากทูติปโนลงไปเรียกว่าเขตบาปของโลกนักปัญญามกขเขตบาปของโลกเกว้นแล้วเขตบุญของโลก ไม่รักษาเช่นห้าก็เขตบาปของโลกถ้ารักษาแล้วก็เขตบุญของโลกเรียกว่าโลกุตละบุญเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่จืดจางพุทธธรรมสงฆ์ในที่นับแต่สุจภจปโนเป็นต้นไปตําก่อนนั่นลงมาก็ไม่นับเข้า ผู้ที่จะเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่สร้างบา ร, รมีแก่ข้ามาแล้วไม่ใช่กราศากาขอศอาคาเป็นผู้สอบได้แล้วชั้นประชมปีที่หนึ่งแล้วหรือถ้าที่หยับใสนักธรรมก็สอบได้นักธรรมตรีแล้วเพือสักทาคามีอนาคางเปรียบเหมือนนักธรรมโถ ส่วนนักธรรมเอกก็เปรียบเหมือนพระรหันย์ยกเป็นบุคคลาธิษฐานส่วนธรรมาทิษฐานจะเรียนจบพระตไตรปิฎกสักเพียงใดก็ตามถ้ายังเสียดายรวงละเมิดศสียน้าอยู่ถ้ายังเสียดายอยากเล่นอบายามุกอยู่ เสียดายอยากจะอยู่ยงคงกระพันอยู่เสียดายอยากจะถือเลิอกดียามดีอยู่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้อื่นอยู่เสียดายอยากจะค่าขายเครื่องประหารคาขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเลยอดเนื่อสัตว์ที่ตัวค้าเพื่อเป็นอาหารเสียดายอยากจะค่าขายน้ำมันเมาเสียดายอยากจะค้าขายยาพิษเสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้อื่นอยู่ มันก็ไม่ใช่สุปฏิปันโนกลางตนงพระ่พุทธศาสนาถ้าไม่ถึงสุปฏิปันโนแล้วอุชุยายะสามีกิจะมาจากประตูใดแล้วเพราะยังไม่เปิดประตูพระนิพพานสุปฏิปันโนเปิดประตูพระนิพพานแล้วข้ามพุทธชนคนหนาไปแล้วเหมือนดังพระจันทร์ในวันข้างขึ้น แต่ไม่กลับมาแรมอีกเหมือนพอถึงวันเป็นไม่กลับมาแรมอีกถ้าเราไม่เอาถ้าเราไม่เอาก็เท่ากับว่าเราพาเศรษฐีมาฆ่า หาเศรษฐีมาค่าคืออะไรผู้ที่ท่านถึงว่าพุทธภาษามสง์ผู้ที่ท่านมีศีลห้าบริบูรณ์และไม่สงสัยในพุทธภะษามสง์เราเป็นผู้สงสัยอยู่และเราไม่ยินดีก็ทศกัปปะพาเศรษฐีมาค่าเพราะเรายัง ยังต่อสู้นายทุนทางกิเลสไม่ได้นายทุนทางกิเลสมันร่างสมองเรายะเถอะยัดเถอะยะเถอะ เ, อเดี๋ยเดียวมึงไปรักษาทีทหารเนี๋ยมึงจะได้กินอะไรมันก็หยอดเข้ามากระเิียมหูเนี่ยเพรามันเก่งะนี้จากมันกิเลส ม, มันมากระเิียมหมูมึงจะมาคาดคานทําไม เขาไปเรียอาบายยมุกเขากรวยโย่เนี่ยบางทีกูเห็นเถ่ามันมากระิบหูมันเกงว่าจะหนีจากมันเอาไปเอาไปเอาตามมันไปตามมันไปตามมันไปว่าไฟจะไม้ขอนที่ห ม, ห, มหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปพอรู้ตัวก็ถ่วงหว <laughs> พอรู้ตัว จะไปโทษใครทีนี่กรรมใดใครก่อก็อเราเป็นผู้ก่อขึ้นจะไปโทษใครทีนี้พระบรศาศาสด า, ศ า, ศ า, ศาขวบอกว่ากรรมที่ดีที่ชั่วก็พวกเราทั้งหลายนั่นเองสร้างขึ้นไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นเราสถาตก็เป็นเพียงที้บอกเท่านั้ น, นจะทำแทนก็ไม่ได้เนี้วนอนง่วงนอนก็นอนเอง ก็หายนล้วก็ดื่มเอง